ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่62โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่62ให้คติธรรมว่าโลภครอบงำ จะมองธรรมไม่เห็นคขาว่าความโลภคือความอยากในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมแล้วจะมองธรรมไม่เห็นเพราะลความโลภคำนี้เป็นความโลภอยากจะได้ของคนอื่นมันเป็นของตัวเองอยากจะโลภ สิ่งที่ไม่เป็นไปได้เอาความอยากของตนเองอยากในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกธรรมวินัยไม่ถูกกฎระเบียบไม่ถูกกฎหมายบ้านเมืองไม่ถูกศีลธรรมจริยธรรมมีแต่ใช้ความโลภในเมื่อคนมีความโลภความอยากอยู่ในใจจะมองทำไม่เห็น อย่างโลภอยากจะได้สมบัติของคนอื่นคำว่าธท ร, รมันคือความถูกต้องในการอยู่ด้วยกันถ้าว่าเราไปโลภเอาของเขามามันก็ขาดศีลธรรมเพราะนั้นคำว่าถ้าผูใ้ใดใครก็ตามถ้ามีความโลภอยู่ในใจมากๆจะมองไม่เห็นคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี จะทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนในกลุ่มนั้นๆเพราะนั้ น, น, นยึงให้คติธรรมหัวข้อว่าถ้าหากว่าความโลภครอบงำจะมองทำจะมองหาคุณงามความดีไม่เจอจะมองหาความดีไม่เจอไม่พบเพราะใดเพราะความโลภคอบงำเพราะนั้นขอให้พวกเรากระจัดกิเลส ความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะคือกิเลสกิเลสตัวใหญ่ที่พระพุทธเจ้ามองเห็นที่ท่านได้บอกได้ตรัสเอาไว้บอกให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาไว้อย่างที่พยามันธาตรุราชเึ้นไปอยู่บนสวรรค์โลภอยากจะได้สวรรค์ทางชั้นคิดวางแผนฆ่าพระอินท ผลที่สุดคือบุญเนี่ยไม่มีใครที่จะแย่งกันได้แย่งกันได้แต่เมืองมนุษย์โลกียะเนี่ยแย่งกันได้มนุษย์จะแย่งกันได้แต่ว่าสวรรค์มันเป็นผลบุญของการขึ้นไปครองและไปเสวยแต่พญามันตรุชมีความโลภอยู่ในใจคิดวางแผนฆ่ากระทังพระอินทร์ทั้งที่เป็นผู้มีพระคุณพระอินทร์เป็นผู้นำพญามันทา ร, ราช ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แบ่งสวรรค์ให้ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกันแต่พญามันตาทุราชว่าถ้าเราเอาทั้งชั้นเลยไม่ได้หรอทาไมจึงเราจึงมาแบ่งคนละครึ่งกันนะก็เลยคิดฆ่าเหมือนกับตัวเองเหมือนอยู่ในเมืองมนุษย์ผลที่สุดบาปกรรมตัวเองที่คิดไม่ดีก็ตกลงมาจากสวรรค์นี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าขนาดพญามันตาทุราชในเมืองมนุษย์ ก็ครอบครองทั้งเมืองมนุษย์เค้ืนไปอยู่สวรรค์พระอินทร์ก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่งกันยังไม่เพียงพอน่ความโลภความอยากหรือว่าตัณหาหรือว่าความโลภในการเป็นอยู่ของตัวเองเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นน่ากลัวความโลภเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายมองดูให้พอเหมาะสมว่า การเป็นอยู่ของเราไม่เดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่ง mm hmm. แล้วก็มองสินมองธรรมเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าหากว่าส่งเสริมแต่ความโลภอย่างเดียวมีแต่อยากอยากอยากอย่างเดียวมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายใจของเราก็มีแต่ความทุกข์อยู่ในจิตในใจเพราะความโลภครบอบงาเพราะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทุกหมูเ่เหล่าให้สำรวมระวัง เพราะกิเลสตัวใหญ่ก็คือโลภโกรธหลงที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เพราะท่านคนที่มีความโลภครอบงำจะมองธรรมไม่เห็นดังกล่าวด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจหรือความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรม ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเถิน